ต่อไปข้อ7ข้อ7จสัตตมีวิพัตในอัตนิมิตะในอัตเหตุคําว่านิมิตแปลว่าเหตุนะใครก็ตามชื่อนิมิตเนี่ยแปลว่าเหตุซึ่งนิมิตเนี่ยแปลได้2คํา1แปลว่าเหตุ2แปลว่าเนรมิตหรือแปลว่าสร้างสร้างกับเนรมิตก็นิมิตตะเหมือนกันแต่อันนี้แปลว่าเหตุนิมิตแปลว่าเหตุแปลว่าเพราะหรือในเพราะครั้นเมื่อในเพราะยังไงในสัตตมีวิพัต อะไรเป็นเหตุให้อะไรดูตัวอย่างข้อ1นึ่ทีปิจําเมสุหันยะเตทีปิแปลว่าเสือเหลืองทีปิเสือเหลืองพยักษ์ฆ่เสือโค้งจําเมสุเนี่ยแปลว่าเพราะหนังทั้งหลายเพราะหนังทั้งหลายหันยะเตแปลว่าถูกฆ่ายอยักษ์สองตัวเนี่ยไอ้ไม่ใช่ยอผู้หญิงสองตัวเนี่ยมาจากหันะธาตุแล้วก็ยอยักษ์ ยะปัจจัยแล้วก็เตวิพัตยะปัจจัยในกรรมหัะนะบวกยะบวกเตโดยการอาเทศน์หนูกับยอยักษ์เนี่ยเป็นยะแล้วก็ซ้อนยะก็เลยเป็นหันยะเตหัะนะยะเตเนี่ยเป็นหันยะเตแปลว่าถูกฆ่าถูกเบียดเบียนถูกคุกคามนั่นหมายความว่าใครจะฆ่าเสือเหลืองนะจะฆ่าเอาหนังมันทางนั้นนะ่ยไม่ใช่ฆ่าเอาเนื้อไปกินไม่ใช่ฆ่าเพราะเขานองมือ ไม่ใช่ฆ่าเพราะจะเล่นสนุกสนานแต่คนจะฆ่าเสือเนี่ยจะฆ่าเอาหนังเสือดังนั้นหนังเสือเนี่ยเสือเนี่ยถูกฆ่าก็เพราะมีหนังสวยนี่แหละเพราะหนังหนังเสือตรงไหนราคาแพงที่สุดรู้ไหมตรงหน้าผากเนะ่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นที่นิยมของพวกนักเลงทั้งหลายพวกนักเลงพวกพว ก, พวกชอบของขลังอะ่ะถ้าเฉือนตรงนี้ไปขายนะโอ้ราคาแพง เขาเรียกว่าหน้าอันหนังหน้าผากเสือหนังหน้าผากเสือถือว่าใครได้มีไว้ครอบครองจะเป็นคนเรืองอำนาจพวกพวกชอบอำนาจบาดใหญ่จะใช้ตอนหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านใกล้จะมรณภาพที่บ้านอาตมาถามว่ามาหาเอาไหมผมไม่รู้จะให้ใครดีเพราะให้คนอื่นกลัวเขาจะรักษาไม่คุ้มอาตมาก็เลยบอกว่าเออ คำพูดตรงพ่อดีฮะกลัวจะรักษาไม่คุ้มนั้นผมไม่เอาอ่ะแท่านที่เอามาจะมารักษาเราแต่เอามาจะให้เรารักษาใช่ไหมนั้นพม่ไม่เอาครัหน้าหนังหน้าเสือเนี่ยมีคนมาถามซื้อไปราคาเป็นหมื่นแต่ท่านไม่ให้ลจะให้แตา่มาไม่เอาหรอกครับถ้าจะเอามาให้รักษาไม่เอาถึงว่าประโย ก, โยกเลย <S <S หนะบวกยะบวกเต <S <S หนะยะเต ยยักปัจใจไงกรรมปัจจใจเป็นยอยักวิธีก็คืออาเทศน์หนูเขายอยักในเป็นยะเพราะว่านหนูเนี่ยมันถูกลบที่สุดธาตุไปแล้วมันมีจุดใช่ไหมเพราะธาตุมีสละสองตัวเนี่ยหะและณเนะีนะ่ยลบณณถูกลบสละอะไปก็ใส่จุดเอาไว้หณนะยะเตะลบสระที่สุดหณธาตุเมื่อลบแล้วณนะก็มีจุดไม่มีสังกะ พอไม่มีสังระแล้วเป็นสังโยคก็เป็นนยะนยะเนี่ยนะแม้จะยังไม่อาเทศเป็นญะนะต้องออกเสียงเหมือนยะเลยลองออกดูสินยะนย ะ, นยะพอนะมันออกเสียงสละไม่ได้ออกที่ยะตัวเดียวกัน อ, ออกเสียงนัยะนัยะเห็นไหมก็เหมือนกับยะเลยเห<า>มือนกับยะ<ๆ>เลยก็เลยอธธาเทศนยะเป็นยะเนี่ยเพราะเสียงเท่าเดิมเมื่ออธิเทนยะเป็นญะเสร็จแล้วก็ซ้อนยะอีกตัวหนึ่งจึงได้รูปว่าหันยะเต ถ้ไมลบสระไม่ได้ครับสละธามีสระมากกว่าหนึ่งต้องลบสระตัวสุดทา้ายอยู่แล้วต่อไปข้อ2กุลชั่งโโรทะทันเตหันญะเตเอทันเตสุไม่ใช่ททันเตกุลชั่งโรทันเตสุหันญะเตกุลชั่งโรแปลว่าช้างป่า <c oughs> ต้องป่าด้วย <c oughs> เพราะว่าชั่ระเนี่ยแปลว่าคุยแปลว่าเขีย่ยกุ้งแปลว่าหุบเขา หมายถึงช้างที่อาศัยอยู่ในหุบเขาไม่ต้องเป็นช้างป่าปกุนชโรเนี่ยไม่ใช่ช้างบ้านถ้าช้างทรงพระราชาอย่าไปใช้กุนชโรนะต้องใช้หัตถีงหรือนาคนาโคหัตถีได้ถ้าใช้กุนชโรนี่โอ้แย่เลย <c oughs> <c oughs> พระราชาทรงช้างป่าอย่างนี้ฮ <c oughs> <c oughs> ะกุแปลว่าแผ่นดินแปลว่าเงืเ้อขัว้วกุมาจากกุนทระครับ กุนทระแปลว่าซอกเขาแปลว่าหุบเขากุณทระแล้วช้างระหนั่งมาจากชระทา่าแปลว่าแก่แปลว่าคําคร่าแปลว่าเสื่อมช้างตัวไหนทําหุบเขาทำทำซอกเขาให้ให้เสื่อมช้างนั้นชื่อว่ากุณชร ะ, ระก็คือชอบคุยอยู่ตามหุบเขาถ้าช้างอยู่ไหนอะอะไรครับรอ้าวกุณทระนี่แหละครับเขียนกุณทระไม่ถูกเลย กุนทละไม่กุนทละกุนทรนททหารกุนทละกุนกุนทละแปลว่าซอเขาครับมาจากคำบาลีก็กุงเฉยๆนี่แหละครับกุงชักุ้งตัวนี้กุนชโรช้างหันยะเตถูกฆ่าทันเตสุเพราะงาทั้งหลายเพราะงาช้างป่าถูกฆ่าเพราะงา ที่เขาฆ่าช้างเนะี่ยไม่ใช่จะเอาอยางอื่นจะเอางานงานเลยเป็นเหตุให้ตายต่อไปข้อสามอนุมัตเตสุวัตเชสุพยัทศาวีพระจะสวดเป็นประจาประจำคาเนี้ยพระไหนไม่เคยสวดแย่เลยเวลาลงปาฏิโมกข์แล้วทุกวันก็จะสวดบทนี้แล้วครับพยัทศาวีพยะแปลวะา่าภัยทศาวีแปลว่าผู้มีปกติเห็น พยทศาวีผู้มีปกติเห็นภัยวัดเชสุเพราะโทษทั้งหลายเพราะโทษทั้งหลายวัชะนี่แปลว่าโทษเช่นโล ก, กวัชะโทษทางโลกเห็นหวัดเชสุเพราะโทษทั้งหลายอนุมัตเตสุอนุนี่แปลว่าน้อยนิดหน่อยเล็กเล็กมัตตะแปลว่าประมาณ อนุมัตเตสุจึงแปลว่าแม้อันมีประมาณน้อยผู้มีปกติเห็นภัยอันมีประมาณน้อยก็คือเห็นภัยในโทษตั้งแต่เล็กๆความหมายง่ายๆอะ่ะเหมือนกับคนเห็นไฟจะมีโทษตั้งแต่มันกอง น, น้อยๆอันนี้พอมีโทษเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็เห็นแล้วว่าจะเป็นภัยแล้วรีบทําลายรีบแก้ไขผู้มีปกติเห็นทัศวี กูมีปกติเห็นพยากระพายพยาทศสาวีผู้มีปกติเห็นซึ่งภัยกูมีปกติเห็นภัยวัดเทสุเพราะโทษทั้งหลายอนุมัติเตสุเพียงเล็กน้อยอันมีประมาณน้อ ย, อยมอไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเห็นว่าจะมีภัยตั้งแต่โทษมันยังเล็กๆอยู่ครับ <c oughs> ไม่ใช่เห็นโทษว่ามันอ๋อแค่นี้เองแค่นี้เองไม่ใช่ พอมีโทษเล็กๆน้อยเกิดขึ้นก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเกิดภัยแน่นอนแล้วเพราะมันเดียวมันก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเหมือนคนชอบเลี้ยงสัตว์ ร, ร้ายไว้ในบ้านน่ะเห็นตัวมันเล็กๆน่ารักเลี้ยงเอาไว้พอมันโตขึ้นมามันอาจจะขย่ำคอได้ครับข้อสี่สัมปชานามุสาวาเทปาจิตติยังเคยได้ยินไหมคําเนี้นนเป็นศิขาบอกของพระ ในมุสาวาทวรฏปาจิติยังต้องอาบัตปาจิตติหมายถึงภิกษุต้องอาบัตปาจิตติสัมปะชานะมุสาวาเทเพราะกล่าวเ ท, ท็จทั้งที่รู้สัมปะชานะเนี่ยแปลว่ารู้ดีสัมปชานะเนี่ยแปลว่ารู้ดีมุสาวาตแปลว่ากล่าวเ ท, ท็ศ มุสาเนี่ยแปลว่าไม่จริงไม่มีไม่เป็นไม่ใช่วาทะแปลว่ากล่าวมุสาแปลว่าไม่ไม่เป็นจริงมุสาวาเทแปลว่าเพราะพูดไม่จริงสัมปชา n น a ะ ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่จริงแต่ว่ามุสาวาข้อนี้ให้ข้อสังเกตนะว่าเป็นการปรับอาบัติทั้งทั้งที่ไม่พูดอะไรเลยไม่ใช่โกหกแล้วปรับอาบัตินะ อาบัตข้อนี้อยู่นิ่งๆถูกปรับอาบัตคือเวลาวันอุโบสถมาถึงภิกษุทั้งหลายก็จะร่วมประชุมฟังอุโบสถภิกษุร่วมหนึ่งก็จะสวดภิกคุปาทิโมเมื่อสวดไปถึงสิกขาบทนั้นๆในวักนั้นๆพอจบวักแล้วท่านก็จะถามว่าภิกษุรูปใดต้องอาบัตตัวใดจงบอกอาบัตนั้นภิกษุไม่บอกอาบัตที่ต้องต้องอาบัตอีก ฟังไม่ออกได้ไงครับจะฟังไม่ออกยิ่งต้องอบัตง่ายครับสมมติว่าวันนี้ท่านไม่ได้ท่านไม่อบัตท่านนี่ไม่เกี่ยวกับพูดปดเลยนะสมมติว่าวันนี้ท่านตียุงตายหนึ่งตัวต้องอบัตปาจิตีเจตนาฆ่าสัตว์ต้องอบัตปาจิตีพอไปนั่งฟังปาทิโมกฟังไปฟังไปพระนสวด พอถึงข้อนี้เขาถามว่าใครต้องอภิบาลข้อนี้บ้างเฉยเลยนิ่งเงียบไม่บอกไม่จานั่นแหละครับต้องอภิบาลข้อนี้เพิ่มทำแล้วไม่ยอมครับพระไทยรู้ว่าภาษาคนนี้อ้าวไม่ได้หรอกครับก็ต้องมีวิธีหลีกเลี่ยงครับ ป้องกันไม่ให้มไม่มีไม่มีวิธีป้องกันครับเอแสดงอาบัตก่อนเลยเอาแสดงอาบัตแล้วก็ชื่อว่าไม่มีอาบัตสิครับ่ะเพราาวงั้นก็ไม่เรียกว่าต้องอาบัตครับเพราะมันแสดงอาบัตไปแล้วอาบัตตกไปเพราะการแสดงไปแล้วไม่รู้สิ่งใดต้องไถ่ถามผู้รู้ครับไม่รู้แล้วไม่ถามปรับอาบัตครับ การปรับอาบัติมีอยู่ข้อหนึ่งว่าต้องเพราะไม่รู้ต้องรู้ครับปาติโม่เนี่ยต้องรู้ตั้งแต่เดือนที่หนึ่งครับบวชมาเดือนที่หนึ่งต้องรู้ปาติโม่เริ่มศึกษาเลยศึกษาตั้งแต่เดือนแรกที่บวชศึกษาไปเรื่อยๆส่วนจะจบเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าต้องเริ่มศึกษาแล้วไม่เหมือนโยมถ้ายมเนี่ยพูดปดถึงจะต้องถึงจะผิดศีลข้อสี่ใช่ไหม แต่ของพระนี่ไม่ได้พูดปดเลยแต่ไม่ได้บอกข้อที่ผิดตัวเองทำผิดอะไรแต่ละวันแต่ละวันไม่บอกปรับอาบัตข้อนี้คือว่าเป็นมุสาวาสเลยมุสาวาสเขาก็ถามปัญหาว่าต้องอาบัตพูดเท็จมีไหมที่ไม่พูดก็ต้องอาบัตไม่เข้าปานิโมกต้องอาบัตอีกต้องแสดงอาบัตวันนั้นจังหวะ ตลอดนั้นน่ะก่อนที่จะฟังปาติโมกเนี่ยท่านจึงให้บอกก่อนบอกไว้ก่อนเลยต้องอวบัติด้ได้บ้างต้องบอกให้หมดเวลาไปนั่งฟังปาติโมกถึงจะไม่ต้องอวบัดข้อนี้เพิ่มต้องบอกไว้ก่อนบอกเลยเมื่อได้บอกแล้วไม่ต้องไปบอกตรงนั้นอีกถือว่าได้บอกแล้วในหนึ่งวันเนี่ยถือว่าได้บอกแล้วมาจากสังบทหน้าปะบนหน้าแล้วก็ยาธาตุยุปัจจัยสังปะยายโผู้หญิงสละอา แล้วก็เออไม่ใช่ยุกระจจขออภัยเป็นนาปัจจัยหายหมดแล้วมมาา อ, อ่อามันไม่เข้าได้ยังไงมันเข้าไปผีหนึ่งแล้วไอความรู้เข้าตัวเนี่ยไม่ต้องใช้หมอไล่เลยออกง่ายแต่พอผีเข้าต้องหามหมอมาไล่เหมือนคนใบ้ฝันเห็นเหมือนคนใบ้ฝันเห็นเดือนรังแล้วยังพูดไม่ได้อีกไม่รู้จะบอกว่ายังไงแปรแปร ทีปิจำเมสุหันญะเตเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังทั้งหลายกุญชันโรทันเตสุหันญะเตช้างถูกขฆ่าเพราะงาทั้งหลายอนุมัตเตสุวัชเชสุพยาสสาวีผู้มีปกติเห็นภยัยเพราะโทษเพียงเล็กน้อย สัมปชาณมุสาวาเทปาจิตยังต้องอาบาดปาจิตีเพราะกล่าวเทจทั้งที่รู้